พระธรรมตามพระไใจปิดกครั้งที่เก้าสิบแปตรัสรู้ว่านี้ทุกทุกควรปริญญาธรรมทุกควรรอบรู้ทุกควรกำหนดรู้นี้ทุกขสมุทยัยทุกขสมุทัยเป็นปหาแตปรธรรมเป็นธรรมที่ควรละนี้นิโรดนิโรดเป็นสัชิกาแตประธรรมเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้ง นี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดคือภาเวตะพธรรมนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญควรเจริญควรพอกคูนควรทําให้บริบูรณ์ขึ้นความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยชอบและโดยพระ อ, องค์เองไม่มีผู้อื่นแนะนําสั่งสอนถามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคนแนะนําทําไมพระ อ, องค์จึงรู้อย่างนี้ของเราก็ฟังอยู่แล้วทําไมไม่รู้เอา้าทาไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างช่วยตอบพระหนา่อย ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ยินแล้วทําไหมทําไมเราไม่รู้เหมือนท่านโอ้ยทําบุญมาต่างกันสร้างบารมีมาต่างกันของพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะปณิธานโตปฐายะเนี่ยตั้งแต่ท่านตั้งความปรารถนามาในใจเลยเนี่ยนะท่านตั้งความปรารถนาในใจของท่านเมื่อยี่สิบอสงไขยที่แล้ว น, นู้นสมัยพูนเราอยู่ที่ไหนก็นไปรู้นะ ตอนนั้นท่านก็สังสมบารมีมาครบเจ็ดอสงไขยแสนกับท่านก็เริ่มเปล่งความปรารถนามาตั้งความปณิธานว่าพุทโธโพเทยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยมุตโตโมเจยังเราผลแล้วจะให้คนอื่นผลด้วยตินโนตาเรายังเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยเรานิพพานแล้วจะให้คนอื่นนิพพานด้วยท่านทําบุญและเปล่งวาจาอย่างนี้อีกอีกเก้าอสงไขย รวมเบ็ดเสร็จเป็น16อสงไขยใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็บําเพ็ญอภินิหารประชุมธรรมะอัฏฐสมโุทานทั้ง8ประการได้รับพุทธพยากรจากพระผู้มีพระภาคพระนามว่าทีปังกรแล้วพระองค์ก็ทรงบําเพ็ญทสศปารมิยโยพระองค์ส่งบําเพ็ญปารมียสิบทสศอุปปารมีโยพระองค์ทรงบาเพ็ญอุปบารมิยสิบทสศปรมัทธปารมีโยพระองค์ทรงบําเพ็ญปรมัทธปารมีอีก30สบ อีกสิรวมเป็นบารมีสามสิบในบารมีสามสิบเหล่านี้ยังไม่พอปัญจะมหาบริจาคีพระองค์ยังบริจาคอีกห้าอย่างบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคเลือดบริจาคเนื้อบริจาคบุตรบริจาคภรรยาบริจาคชีวิตบริจาคราชสมบัติให้ทุกอย่างอีกให้เหมือนหม้อคว่ำมาทวีตนดอนี่ให้ทานเหมือนมอคว่ำนีมีเลือ ไล่ไปอยู่ปลาก็ยอมถามว่าทรัพย์สมบัติท่านรังเกียจไหมเอางี้ยอมยอมมาทําบุญมาให้ทานเนี่ยหิ้วข้าวของมาเนี่ยถามว่ารังเกียจนักเรื่องไงข้าวของอันนี้ไม่ชอบใช่ไหมล่ะพระเวสสันดรท่านก็ไม่ได้รังเกียจหรอกเอาแล้วทําไมเราจึงให้ทานอ่ะเพราะเรามีศรัทธาเชื่อมั่นว่าทานเนี่ยเป็นเสเบียงทางทานนี่เป็นพุทธ ก, กัลกกะธรรมทานนี่เป็น การให้เจตนาที่เสียสละเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้เราเชื่อมั่นว่าการให้ทานเป็นต้นใช่ไหมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งโลกนี้เพื่อประโยชน์และความสุขในโลกต่อไปแล้วก็เชื่อด้วยว่าทานอันนี้ที่เราให้ไม่ดีแล้วในพระสงฆ์ตั้งความปรารถนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็สาเร็จได้ เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาลักษณะนี้เราจึงให้ทานไม่ใช่ว่าเรารังเกียดรังงอนในเข้าของเครื่องใช้ของเราแต่เรามีศรัทธาที่จะให้เพราะเราเอาทรัพย์ภายนอกมาทําเป็นทรัพย์ภายในฉะนั้นเรามองเห็นชีวิตทั้งชาตินี้ด้วยมองเห็นชีวิตทั้งชาติหน้าด้วยมองเห็นโลกต่อไปด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราอยู่แค่นี้กันไหมมีแค่ตาสองตาทํามาหากินแค่เพื่อโลกนี้เพื่อโลกหน้าพอหรื อ, อยัง ถามว่าพอหรื อ, อยังบอกว่ายัางเรายังแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดคือแสวงหาฝันอยู่ฝั่งในที่นี้ก็คือพระนิพพานการดับทุกข์ดับกิเลสดับวัตถุทุกได้โดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันเราให้ทานเรารักษาศีลเราฟังธรรมเป็นต้นก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้รู้แจ้งะธรทมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า อัญญาโยมทั่วไปนะส่วนใหญ่เวลาให้ทานนะักขมบขมิบขมบมข ม, บมิบเขาว่าไงรู้ว่าบอกว่าส่วนใหญ่ก็ปราธนามรสีผลสีนิพพานหนึ่งเขาให้รู้แจ้งมรรลุธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยก็ไม่กล้าพูดให้คนอื่นได้ฟังอักขมบขมิบเขาว่าไปแต่ถ้าไม่ปาธนาอย่างนี้ไม่อนุมโมทนาด้วยนะใครปาถนาอย่างอื่นก็ใครเอาไปของใครกัของใครกันแล้วกันสะสมกันไปอนะะเนาะเสบียงทางเพราะนั้นถ้าหาว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะเริ่มสแสวงหา แม้แต่ให้ทานแม้แต่รักษาศีลยังไม่พอยังขวนขวายในกิจกรรมที่สำคัญก็คือการศึกษาการฟังการเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรามีการฟังสุดสูสังละพะเตปัญญาว่าการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉั้นการฟังนั่นแหละเป็นประตูเบื้องต้นเป็นหนทางแรกที่จะเข้าถึงพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะเราทั้งหลายเป็นพระสาวกเป็นสาวกคำว่าสาวกก็คือผู้ฟังผู้สับตรับฟังการฟังนี่แหละเป็นเบื้องต้นเป็นสะพานชั้นแรกที่จะทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาการฟังนี่เป็นประตูเบื้องต้นที่สุดที่จะทำให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าปรโตโฆสะปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญต่อสติปัญญาคือปรโตโขสะการได้ยินได้ฟัง เมื่อมีการได้ยินได้ฟังฟังเฉยๆไหมถ้าหาว่าผ่านหูเฉยๆนี่เขาเรียกว่าคนฟังมาหรือเปล่าผ่านหูมาแววๆว่างันเออไทยอย่างนี้ก็ออไม่เรียกว่าฟังมานะแววมาแต่นี้ถ้าได้ฟังฟังปั๊บก็มีการทรงจำเอาไว้ใช่ไหมเมื่อมีการฟังแล้วก็สรงจําทรงจําก็ทําไงเอาไปไข้ครวนเอาไปตรึกเอาไปตรองเอาไปพินิจพิจารณาสืบสวน ไต่ตรองจนรอบคอบมีการเพ่งพินิษพิจารณาถ้าสิ่งนั้นเป็นพระธรรมคําำคำสอนสิ่งนั้นจะทนต่อการพิสูจน์ถ้าเป็นคําสอนนะคำว่าทองเนี่ยนะถึงจะเข้าเบ้าหลอมเนี่ยก็ไม่กลายเป็นทองแดงถ้าทองแท้จะไม่กลายเป็นอื่นคําสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรม พระปริยัติธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วก็เพื่ออริยมรรคเพื่ออริยผลเพื่อพระนิพพานอันพระธรรมคําำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นคําสอนที่เหมาะสมสมบูรณ์แบบธรรมนั้นจะควรต่อการเพ่งเมื่อเราเพ่งแล้วก็จะเกิดปีติเกิดปราโมทเกิดความเ อ, อิบอิ่มในใจจะเกิดการอุตสาหะจะเกิดการภาพเพียรพิจารณาพยายามต่อไป เมื่อพยายามใคร่ครวญพินิษพิจารณาจนเห็นความจริงของธรรมชาติทั้งหลายความจริงของธรรมชาติทั้งหลายเป็นอย่างไรสัพเพสังขาราอนิจจาธรรมชาติของสังขารทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีรักสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนคําว่าสังขารเนี่ยอยู่ที่ไหนตาเป็นสังขารไหมยมตานี่เป็นสังขารนะตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรไหมที่เราจะยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงความคิดเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านั่นเรานั่นของเรานั่นตัวตนของเราควรไหมไม่ควรนั่นอริยสาวกผู้มีสติมีปัญญาตามพิจารณาพอกพูนสติสัมโพชงเหล่านี้บ่อยๆ พ, พ่อพูนธรรมวิจยะสมโพชงการใคร่ครวนพระธรรมเหล่านี้บ่อยบ่อยวิริยะสัมโพชงข้าเพียรพยายามแล้วก็มีปีติปัสสัตที่สมาธิอุเบกขาสัมโพชงเหล่านี้เมื่อพ่อพูนพ่อชงเหล่านี้อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละน้อมไปเพื่อการปลดปล่อยอั้นถ้าหากว่าเรามีการพ่อพูนเจริญ มากพยายามมากๆอย่างนี้นั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าตาที่สองเนี่ยพ่อพูนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะได้ทรมาจากสุขในชั้นสูงต่อไปเพือ่ อ, อที่จะมีปัญญามองเห็นอริยสัจจะทำนี่เราได้กี่ตาแล้วเนี่ยไม่บอดกันแล้วกันนะไม่บอดแล้วเนาะเพราะชีวิตเราในโลกนี้นะถ้าหากว่ายอมทั้งหลายไม่มีตาปัญญาระดับหนึ่งนะที่จะ ดำเนินชีวิตให้มาถึงวันนี้ไม่ใช่ฐานะแสดงว่าเรามีตาปัญญาในโลกนี้มองเห็นและการดําเนินชีวิตในโลกนี้และต่อไปเราก็มีตาปัญญามองเห็นภัยในโลกนี้เรียบสแสวงหาเสบียงสแสวงหาที่พึ่งสแสวงหาบุญกุศลเพื่อเป็นสเสบียงทางเป็นที่พึ่งในพบต่อไปและยังไม่พอเรายังสแสวงหาที่สุดแห่งทุกข์ด้วย สแสวงหาการรู้แจ้งอริยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมใจการทำนับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุขโภปุญญาสักุจโยการสะสมบุญกุศลเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุข ปัจใจเพื่อให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้ปัจจัยเพื่อจะจะให้ได้รับความสุขทั้งโลกต่อไปและเป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อที่จะได้รับความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลความสงบเยือกเย็นการเจริญงอกงามในธรรมความสุขอายุยืนยาวจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนขออนุโมทนา พระสูตรที่จะได้นำมาอ่านวันนี้ชื่อว่าสุมาณสูตรเป็นพระสูตรจากอังคุตรนิกายเล่มที่สามในฉบับเก้าเอดเล่มสุมาณสูตรว่าด้วยเทวดามีความพิเศษต่างกันด้วยเหตุห้าครั้งนั้นแลสุมาราชกุ ม, มารีแวดล้อม้ดยรถห้าร้อยคันพระราชกุ ม, มารีห้าร้อยคนเข้าไปเฝ้าพระผู ม, มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วประทับนั่งหน้าที่ขวนส่วนข้างหนึ่งขันเดิทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระบโรกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสองคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่าเท่ากันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งไม่ให้คนสองคนนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุทประการคืออายุวันนะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นทิพดูก่อนสุมนาผู้ที่ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุทประการนี้ ถ้าแต่พระองค์พุทเจริญก็ท่าเทวดาทั้งสองนั้นจติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุมาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมคมผลไม่ให้ด้วยเหตุท่าประการคืออายุวันณนะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนสุมา ผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มผู้ไม่ให้ด้วยเหตุทประการนี้ข้าแต่พระองค์พูทเจริญพราถ้าคนทั้งสองคนออกบวชแต่คนทั้งสองคนนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุมาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือคนที่ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มคนที่ไม่ให้ด้วยเหตุท่าประการคือเมื่อออป่าขอย่อมได้จีวรมาก เมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้บินทบาทมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้เสนาสนะมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอยอมได้บริขารคือยาที่เป็นเครื่องบำบัดไข้มากเมื่อไม่ออกปากขอยอมขอได้น้อยรกจะอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันทร์เหล่าใดเพื่อนพรหมจันทร์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อยดูก่อนสุมาผู้ให้เป็นมัมปะชิตย่อมข่มผู้ไม่ให้ด้วยเหตุทาประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองคนนั้นบนรรลุพระอรหันต์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุอรหันต์เหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ ดูก่อนสุมาเราไม่กล่าวว่ามีเหตุแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุติขอ้อนี้สุมาณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อ น, นี้กําหนดไว้ว่าควนให้ทานพ้นทําบุญเพราะบุญเป็นอุ ป, ปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตอย่างนั้นสุมาอย่างนั้นสุมา ควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปกระแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตพระผู้มิพระรเจ้าผู้สุคตศาสดาขันตรัสไว้กรณะภาษิตจบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าดวงจันทร์ปราศจากโมนทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลก แดยรัศมีชั้นใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธา ก, ก็ฉะนั้นย่อมไพรโรธปราพูดตรณีทั้งปวงในโลกโดยจาคะเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปราแปบมีช่อทั้งร้อยตกรถแผ่นดินที่เต็มที่ดอนและที่ลุ่มชั้นใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉะนั้นย่อมคงพูดตรณีได้ด้วยฐานะห้าประการคืออายุวันนะ สุจดแต่เปี่ยมด้วยโพคะย่อมบันเทิงใจในสวรรค์ในปรโลกดังนี้จบสุวรรณสูตรที่หนึ่งรัตนาพอาจารย์ได้กุณาขยายความด้วยครับผมข้อความเมื่อกี้นะเป็นข้อความในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตปัญจกานี่แปลว่าหมวดห้านิบาตนี่แปลว่าประชุมลงคือพระผู้มีพระภาคนั้นทรงสแสดงธรรมะนับเป็นหนึ่งก็ได้ ธรรมะหนึ่งคือความไม่ประมาทอย่างเงี้ยธรรมะหนึ่งคือกายคตาสติธรรมะหนึ่งธรรมะสองธรรมะสามธรรมะหมวดสองคือสติสัมปชัญญะธรรมะหมวดสามคืออะไรเช่นเวทนาสามมีธรรมะหมวดสี่เรกจตุกานิบาตธรรมะหมวดห้ามีห้าอย่างอย่างอย่างเช่นสูตรนี้เนี่ยในสุมาณะสูตรเนี่ยกล่าวถึงธรรมะหมวดห้า และยังมีธรรมะหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าหมวดสิบหมวดสิบเอ็ดเรียกว่าเอกาทสกานิบาตนี่คือพระสูตรเรียกว่า อ, อังคุตระนิกายสําหรับวันนี้นั้นเอาพระสูตรในปัญจากานิบาตเป็นธรรมะหมวดห้าธรรมะหมวดห้านั้นกล่าวด้วยอายุอายุก็คือหมายถึงหมายถึงชีวิตนั่นเองสองหมายถึงวันณนะหมายถึง หมายถึงอะไรวันนะ่ะผิวพันณเนาะรูปร่างหน้าตานี่กว็วันนะความสุขอ่ะเใครไม่รู้ก็เฉยเดนมทีแล้วเนาะใครไม่รู้เขาแสดงว่าคนป่วยป่วยมากเลยไหมเอ้ความสุขเป็นยังไงอยากได้แต่ความสุขดังนั้นความสุขและยศตําแหน่งบริวารแล้วก็สุดท้ายก็คือความเป็นใหญ่เป็นอธิบดีซึ่งพนางสุนาราชเทวีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ะ มีพระสองรูปเนี่ยบวชเข้ามาด้วยกั น, เ, นเป็นพระหนุ่มเท่ากันใช่ไหมแท้มีสติปัญญาฉลาดเท่ากันหัวดีเท่ากันรักษาวินัยเหมือนกันเตะเลยความประพฤติเรียบร้อยหมดเลยพระสองรูปเนี่ยอีกรูปหนึ่งเนี่ยโอ้โหประพฤติวัดปฏิบัติทั่วไปอีกรูปหนึ่งทําสารานิยธรรมเป็นในข้อสาธารณโภคีบิณทบาตได้มานี่แจกแจกหมดเหลือเท่าไหร่ก็ชั้นเท่านั้น่ะไม่เหลือก็แล้วไปไม่เหลือหาใหม่ บินธบานมาแจกพวกอย่างเดียวเสียสละเ อ, อื้อเฟื้อเผื่ อ, อ, อแผ่มีจีวณมีอะไรเนี่ยแจกชอบแจกว่างั้นอีกคนหนึ่งงูรักษาศีลดีมากสัมรวมประพฤติเรียบร้อยขยันแต่ก็ไม่แจกไม่อะไรใครทักอย่างเครียกว่าประหยัดว่งั้นเลยไม่ค่อยเ อ, อื้อเฟื้อไม่ค่อยแบ่งปันคนอื่นสอ ง, ององค์อีกคนหนึ่งแจกจริงๆเลยถามว่ามีผลต่างกันไหมสองคนเนี่ยรักษาศีลเท่ากันปัญญาฉลาดเท่ากันเรียนพระไตรปิฎกมาเหมือนกัน อีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งไม่ให้ก็บอกว่าสองคนเนี่ยเวลาตายไปเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าไปเป็นเทพเทพสององค์นี่จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นอายุเนี่ยแตกต่างกันอายุสององค์เนี่ยอย่างองค์ที่ให้เนี่ยนะอายุเนี่ยก็ต้องมากกว่าคนที่ไม่ให้ดีนะผู้ให้ข้าวคือผู้ให้ให้อะไรให้กําลังเนาะ ให้ผ้าคือให้วันณะให้ยวดยานภานะคือให้ความสุขให้แสงไฟคือให้ให้ตาทำไม่สว่างสักอย่างก็มองไม่เห็นแล้วการให้นั้นเป็นชื่อว่าให้ทั้งอายุให้วันณะให้ความสุขให้ปฏิพันธ์การให้นั้นอ่ะทําให้มีอายุเทวดาสององค์เนี้ยองค์ที่ให้มีอายุดีกว่ามากกว่าอ่าแล้วผิวพันธ์อ่ะอย่างเทวดานี้ก็เทียบกันที่รัศมีเนี่ยใครมีรัศมีมากอีกคนหนึ่งจะแพ้จะต้องหลบให้ อย่างของเราเนี่ยรถสวนกันมาเนี่ยใครหลบให้ใครมนุษย์นี้จะบอกว่าใครเกิดก่อนคนที่เกิดก่อนนี่คนเกิดหลังต้องหลีกทางให้ใช่ไหมคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าคนที่ตําแหน่งต่ากว่าต้องหลบให้ลูกต้องหลบให้พอ่อลักษณะเนี้ยเทวดาที่มีบุญนี้เขาเทียบกันด้วยรัศมีถ้ารัศมีเนี่ยสององ์เนี่ยเดินมาเจอกันเขา้าใครที่รัศมีอ่อนกว่านี่ต้องรีบหลบให้ทางเขาเนะไม่ได้จะมาเดินมันแท้รัศมีกัน เรียว่ายศก็คนละอย่างกันเลยอันวันนะแตกต่างกันแล้วความสุขของสองคนนี้ก็แตกต่างกันมากแล้วก็นังทั้งที่พวกบริวารก็เหมือนกันบริวารนี้ก็แตกต่างกันมากทรัพย์สินเครื่องประดับประดาตกแต่งก็แตกต่างกันแล้วก็ความเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าก็แตกต่างกันในเทวดาสองคนเนี้ยจากต้นเหตุคือความเป็นพระพิสุขสองโรคเนี่ยอีกคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งไม่ให้ ทีนี้ถ้าสองคนเนี่ยนะตายจากเทวดามาเกิดเป็นเป็นมนุษย์คนที่ให้มาเกิดเป็นลูกพระราชาอนาคตครองว่านของเมืองคนที่ไม่ให้เกิดเป็นเสนาบดียังมากเกิดเป็นอมัอมมตดอัมมัดนี่ใหญ่เฉพาะพาแผนกนะใหญ่เฉพาะตาแหน่งนะแต่ในหลวงนี่ใหญ่ทั้งแผ่นดินอันนี้คือความแตกต่างทีนี้ถ้าหากว่าพูดแบบคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะในชั้นของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย ตั้งแต่เกิดในท้องปั๊บขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือความแตกต่างกันอย่างหนึ่งเช่นชาติตระกูลเกิดมาที่แรกนั้นถ้าติตระกูลที่ดีนะตระกูลที่ดีร่ํารวยเนี่ยก็ว่ารวยแต่อ้อนแต่ออกเลยเหรอไหม <S <S บางคนเนี่ยนะเกิดมาพับเนี่ยหนี้สินมีแต่อ้อนแต่ออกเลยพ่อพ่อแม่เนี่ยโหบริหารลอมจมติดหนี้ติดสินมากมายมหาศาลสองคนนี้ก็แตกต่างกันละหรืออีกคนหนึ่งเนี่ยเกิดในเมืองอีกคนหนึ่งเกิดในบ้านนอกอันนี้ก็แตกต่างกันละ คนในเมืองเหมือนกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนอีกในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมไปต้นนั้นคนทําบุญกับคนไม่ทําบุญนี่ห่างกันมากอย่างคนในเมืองกับคนในชนบทอย่างคนในเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ไหมอย่างหน้านี้หน้าหนาวก็มีเครื่องทําความร้อนบ้างก็มีบางท่านบางท่านก็ใช้เสื้อผ้าอย่างดีผ้าขนสัตว์ผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้อย่างเป็นที่ของทางบั่นนอกทําไง หาฟืนมาเลยมาส ม, สมสมสมแล้วก็พิงไฟไปอย่างนั้นนหะอากาศเย็นนะผิ้งไฟเอาเพื่อที่จะให้ความอุ่นนะมันทิงข้างหน้ามันก็เย็นข้างหลังทิงข้างหลังก็เย็นข้างหน้าทิงมากๆเข้ า, ขามาันก็ง่วงอะนะเต่คนเนี่ยถ้าหนาวนะถ้าได้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีมันง่วงมากบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเผลอไปก็เอามือเนี่ยไปวางไว้เพราะความที่มันมันง่วงจัดอ่ะไม้ทีนึงก็ถลอกเปอกเปิกหมดอันเด็กตามบ้านนอกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็ผิวพันธุ์จะหยาบแล้วก็บางทีไฟก็กระเด็นมามาไหม้ตามเนื้อตามตัวต่างๆอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันว่าเมื่อเกิดแตกต่างกันผลก็แตกต่างกันทีนี้ในสองคนเนี่ยนะไอ้คนตระกูลสูงเนี่ยนะเขาเรียกว่าช่องทางเนี่ยมันไปอีกยาวไอ้คนที่เกิดตระกูลต่ำไม่มีช่องทางเลยเกิดมาเนี่โอ้โหมันมืดไปหมดเลยนะหิวก็ไม่ได้กินก็บอกว่า ลูกของของคนมีฐานะกับไม่มีฐานะนะลูกคนมีฐานะบอกว่าหนูหนูจะเอาอะไรไหมลูกไอ้ลูกของคนไม่มีฐานะบอกว่าไปถึงเห็นปั๊บแตกปากร้องก่อนเลยร้องเลยร้องก็โดนดายตั้งหัดที่ถูกเครียนเลยโอดอีกนะกับอีกคนหนึ่งซึ่งเกิดมาเนี่ยตระกูลดีฐานะดีอะไรดีลูกจะเอาอะไรไหมลูกเอาหน่อยนะลูกนะเอาไปเล่นหน่อยนะ <ไป S 1> จะได้รับการเอาอกเอาใจที่แตกต่างกันมากอีกคนหนึ่งไม่ได้อะ อย่าร้องนะร้องโดนแน่ไม่เรียวอันหนึ่งเนี่ยโหดเต็มที่เลยความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันอาหารการกินก็แตกต่างกันแล้วก็การศึกษาก็แตกต่างกันอย่างเด็กบ้านนอกถ้าเมืองไทยก็อาจจะไม่โหดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะอย่างประเทศอินเดียเนี่ยถ้าหากว่าไปเกิดในวั น, นะจันทานเป็นคนทุกข์คนยากเนี่ยนะเกิดในวั น, นะที่ต่ําสุดยอดแล้วเนี่ยมันลําบากนับตั้งแต่การเป็นอยู่การกินเลย การเป็นอยู่เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยค้นรังเกียจหมดเลยเขาบอกว่าเหมือนกับเห็นพวกสัตว์ในอบายอะ่ะสมมตินะเหมือนกับสัตว์เดราชาต์ตัวหนึ่งอา่าถ้าหากว่าเมืองไทยนี่เห็นคนอาจจะสงสารกันแต่ถ้าอินเดียไม่ได้ถ้าเห็นพวกจันทานนี่เขาต้องเอาน้ํามาล้างตาไล่หน้ารังเกียจยิ่งกว่าสุนัขิฐนี่เป็นพุทธโทษของการเกิดในชาติตระกูลการเกิดในตระกูลต่ําเราศึกษาเรื่องกรรมแล้วกรรมอะไรที่ทําให้เกิดในตระกูลต่ำํำย่อม นึก อ, ออกนะกรรมที่ทําให้เกิดในตระกูลต่ําคือกรรมประเภทประเภทไม่มีความอดน้อมเลยเป็นคนแข็งกระด้างอะ่ะมันแข็งอะ่ะมันไม่อ่อนอ่ะเพะั้นแข็งกระด้างเนี่ยทําให้เกิดในตระกูลที่ต่ําพอชาติตระกูลเข้ามาสัอย่างเดียวเนี่ยหมดกันเลยเนะอนาคตบางส่วนนี่ก็หมดไปเลยนี่ก็เป็นโทษของชาติตระกูลเหมือนกันชาติตระกูลนั้นบนที่จะทําให้เกิดตระกูลดีหรือตระกูลต่ําส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ ขณะที่ทําบุญเนี่ยทําด้วยความอ่อนน้อมขนาดไหนทีนี้ในสองคนเนี่ยถ้าหากว่าตระกูลเท่ากันทําไมความรวยแตกต่างกันพวกท้ัพย์แตกต่างกันนี่เราไม่พูดเหตุปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันก็มีด้วยคือการทำมาหากินการครองชีพนะอันนี้เหตุปัจจุบันแต่นี่เราไลาเ่เหตุเหตุไกลามาก่อนอันในสองคนนี้ถ้าหากว่าเกิดในตระกูลที่ที่ดีเข้าชีวิตก็จะดีแต่ในตระกูลดีๆเนี่ย สองคนก็ยังแตกต่างกันในด้านโภกกรัพย์การแตกต่างการแห่งพกกรัพย์ก็คือมาจากบุญประเภททานบางคนเนี่ยให้ทานให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นนะให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมนี่ทําให้ตระกูลสูงทานเป็นปัจจัยให้รวยและอีกอย่างหนึ่งนะคืออะไรบ้างทําไมสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของคนนั้นแตกต่างกันอะไรเป็นเหตุ ให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันมากในด้านสติปัญญาอีกคนหนึ่งเนี่ยจำได้หมดเลยอีกคนหนึ่งจำอะไรแทบไม่ได้นะเคยได้ยินคาลพระจุลบรรทกเนี่ยท่องหนังสือสองบรรทัดเนี่ยท่องอยู่สี่เดือนไม่จำว่าซ้ำๆอย่างเงี้ยว่าแล้วก็ได้หัวลืมท้ายได้ท้ายลืมหัวว่าอยู่นั่นแหละท่องไม่จำอะ่ะอย่างนึกถึงสมณเณรอยู่รูปหนึ่งเคยมาบวชอยู่ด้วยผู้ทางสรารนังคฉามิ สังคังสรนังฆาชามิธรรมังสรนังฆาชามิพูดทางสารนังฆาชามิสังคังกลับไปกลับมานั่นแ่ะสามอันเนี่ยนะไม่ถูกอ่ะหนึ่งสามสองเอ้ยหรือว่าหนึ่งสองสามกันเน่นะวนอยู่นั่นแหละสติปัญญาเนี่ยขนาดนั้นเลยบางคนเนี่ยเป็นขนาดนั้นเลยถามว่าปัญญาอ่อนไหมก็ไม่ถึงกับอ่อนแต่ก็ไม่ฉลาดไม่ถึงกับอ่อนพอคุยรู้เรื่องเรียกก็มาว่าก็ไปอะไรเงี้ยแต่ก็ความจําอะไรไม่ได้เลยท่องอยู่นั่นแหละยากจริงๆ อันนี้สติปัญญาบางคนเนี่ยความจำแม่นมากเพราะว่าเกิดมาใหม่ๆสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ตั้งเก่งมากเลยยิ่งเด็กสมัยนี้บางคนเนี่ยเก่งคอมพิวเตอร์ตังนงแต่เล็กๆเลยนะเป็นไปนทั้งหมดคล่องแคล่วไปหมดเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งคือความแตกต่างกันแห่งสติปัญญาทีนี้เราก็มองมาที่ต้นเหตุเหตุในขณะที่คนกําลังทํากุศลเนี่ยนะบางคนทํากุศลด้วยความรู้ความเข้าใจบางคนทํากุศลด้วยสติปัญญา ทำบุญแล้วมีปัญญาเป็นเป็นเบื้องหน้ามีปัญญาเข้าใจมีปัญญาเรียนรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมในขณะที่เขาทํำกุศลเวลาเกิดมาส่วนหนึ่งก็มีความแตกต่างกันแม้แต่ทําบุญเหมือนกันบางคนเนี่ยพอทําบุญแล้วทําไมโหยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าเดือเลยนะบางคนเนี่ยมาทําบุญก็ไม่ยิ้มไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยหรือทำบุญด้วยอุเบกขาอันนี้ก็มีผลแตกต่าง เหมือนกันในด้านของการมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยอมทั้งหลายคนที่ทําบุญมาน้อยนะนชีวิตเนี่ยไล่ไปเถอะมองรอบข้างเนี่ยมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวสมมุติถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนนะไอ้คาว่ามีเนี่ยเหม่ได้ยินยากเหลือเกินร่ํารวยความยากจนอย่างนั้นถามหาอะไรก็ยากอย่างสมมติว่าครอบครัวหลายๆท่านเนี่ยถามหาแก่ข้าวจะกินแต่ละมือ้อแต่ละมื้อก็ยาก เด็กห ล, ยลายๆคนเนี่ยจเจริญเติบโตมาพอที่จะศึกษาเล่าเรียนสถาบันสูงๆก็ก็ยากแล้วพอเด็กบางคนเนี่ยสามารถเข้าในสถาบันนั้นได้แต่ก็อยู่อย่างทุกอย่างยากอย่างทรามานนะอยู่ด้วยการถูกเยียดยาสิ่งที่เป็นบุญเหล่านี้คือต้นเหตุแห่งชีวิตทั้งหมดของแต่ละพบแต่ละชาติส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ชีวิตของศาต์ทั้งหลายเนี่ยนะส่วนหนึ่งอยู่ที่ ที่เจตนากรรมชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่สาคัญที่สุดเบื้องต้นนั้นก็คือกรรมกรรมนี้เป็นตัวจำแนกเป็นตัวจัดสรรเป็นตัวปันส่วนนะว่าทุกคนเนี่ยสมควรอยู่ที่ไหนกรรมเป็นตัวจำแนกก่อนว่าสมควรไปเกิดณที่ใดในภพใดสมมติว่าเกิดในนับตั้งแต่มนุษย์ใช่มมนุษย์หรือเทวดาแม้แต่มนุษย์นั้นก็มีความหลากหลายในด้าน ด้านสถานที่ที่ไปเกิดเมื่อสถานที่ที่ไปเกิดนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งของเรื่องของสติปัญญาด้วยก็บอกว่าเกิดบางแห่งเนี่ยโอ้แถวนั้นคนฉลาดมากบางแห่งเนี่ยคนไม่ค่อยฉลาดไปเกิดบางแห่งเนี่ยคนเป็นคนใจดีเกิดบางแห่งเนี่ยทาให้เป็นคนโหดร้ายดุร้ายอันนี้ก็มีความสําคัญกรรมในชีวิตที่เราทํานั้นถ้าหากว่าเราสามารถเรียนรู้ในการทํากรรมได้เราก็สามารถที่จะ กำหนดทิศทางชีวิตของเราต่อไปแล้วที่นี่ในชีวิตของเรานั้นเราจะจะเด่นล้ำกว่าคนอื่นหรือไม่ก็อยู่ที่การ